ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระมหากรุณาเป็นพรหมจารีสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคะเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาองสมเด็จพระมหากรุณาสิเป็นพรหมจารีแล้วจะเป็นสิทธิแห่งพรมดอกกระมังโยมยังกังขาอยู่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 ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรตรัสว่าพันเตนาคะเสนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้มีปรีชาญาณพระยาช้างนั้นกระทำโกนชนะดอย่างนกหัดสดีลิ่งพระนาคเสนจึงถามพระเจ้ากรุงมิลินปินธรณีว่าช้างนั้นร้องโกนชนะดเหมือนนกหัดสดีลิงแล้วก็ช้างตัวนี้ เป็นสิทธิ์นกหัดสดีลิงดอกกระมังณบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสแก้ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าช้างนั้นเล่าจะได้เป็นสิทธิ์นกหัดสดีลิงนั้นหาไม่ได้พระนาคเกษร จ, จริงถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีสมเด็จพระมหากาเจ้านี้เป็นพรหมจารี